ที่แล้วก็มีสติพยายามรู้รู้ตัวทำอะไรรู้ตัวเพราะจิตของเราเนี่ยมันมีแต่จะคิดคิดแล้วก็ไหลออกไปเพลินไปจิตเนี่ยมันจะคิดไปไหลไปเพลินไปมันไม่อยู่กับตัวมันก็เป็นธรรมชาติของจิตจิตของทุกคนมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่ง พระพุทธเจ้าก็มีจิตพระหลานก็มีจิตคนทั่วไปก็มีจิตสัตว์มันก็มีจิตเทวดาก็มีจิตพรมก็มีจิตสัตว์นรกเปรตสุรกายก็มีจิตดีนี้จิตอันเนี้ยมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพระ อ, องค์เองอย่างแจ่มแจง้งชัดเจน ว่าร่างกายรูปพันธุ์สันธานที่มาอาศัยอยู่ในชาติเนี้ในปัจจุบันนี้เป็นรูปร่างของมนุษย์รูปร่างของมนุษย์อันนี้มันก็ได้มาด้วยเหตุปัจจัยมันไม่ใช่ใครสรรสร้างขึ้นมามันมีระบบระบบของการก่อเกิดเป็นรูปร่างขึ้นมาถ้าเบื้องต้นก็พ่อกับแม่เชื้อของพ่อไข่ของแม่ผสมกัน ผสมกันแล้วก็จิตวิญญาณอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ก็ก็หยางลงอุณภูมิเหมาะสมมีเหตุปัจจัยเหมาะสมหยางลงก็เป็นหยดน้ำเล็กๆกับฝังเข้าไปในมดลูกแล้วมันก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาจเจริญเติบโตขึ้นมาจนพอสมควรก็คลอดออกมาคลอดออกมาแล้วก็อาศัยอาหารน้ำนมอาหารที่แม่ป้อนเข้าไป จะเจริญเติบโตมาจเจริญเติบโตมาเหมือนพวกเราเนี่ยสุดท้ายก็ตายไปเกิดมีเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นพอหมดเหตุปัจจัยมันก็แตกดับเสื่อมสิ้นสลายไปฝ่ายรูปทรงมันหมดเฉพาะรูปฝ่ายรูปเนี่ยหมดทีนี้ฝ่ายวิญญาณคือข้อตัวจิตเนะี่ยจิตวิญญาณอันเนี้ยมันมีกรรม กรรมอันนี้มันเกิดจากการกระทำของตัวเองนั่นแหละมันทาแล้วก็มีเราทาหลงว่าเป็นเราเป็นเราเป็นเราเป็นเราเรานันเร า, เรา น, น, รานี่เราทั้งดีทั้งไม่ดีแม้แต่จิตนิ่งนิ่งก็ว่าเรานิ่งเราส ง, งบมันก่อเกิดเป็นมีภพองรับหมดเลยนะจิตเป็นจิตที่ไม่รู้อ่ะถ้ารู้มันต้องไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราแต่ตัวจิตอันนี้มันมี แรกเริ่มเดิมทีมันก็เป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่งเป็นธรรมชาตินานเข้านานเข้ามันก็มีอวิชชาเกิดขึ้นคือหลงว่ามีเรามีเราแล้วก็เราทำดีเราทำไม่ดีเป็นปุญญาพิสังขารอาปุญญาพิสังขารอาเนินชาพิสังขารเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างเป็นบุญเป็นไม่ใช่บุญก็อาจจะเรียกว่าบาปก็ใช่อเนินชาพิสังขารก็คือสงบเป็นกลาง ไม่เป็นบุญเป็นบาปแต่ว่ายังมีตัวตนอยู่มีความหลงอยู่ทีนี้มันก็พอมันมีตัวมีตนอย่างนั้นนะมันมีเชื้ออยู่เวลาร่างกายเนี่ยรูปทรงสันฐานพวกนี้มันมีข้อจํากัดอะมันอยู่ได้ชั่วคราวเฉยๆหมดเหตุหมดปัดจจัยเมื่อไหร่มันก็ต้องแตกดับเสื่อมสิ้นสลายไปเพราะนั้นรูปนี่คือธรรมชาติอันหนึ่ง รูปทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยคือธรรมชาติอันหนึ่งที่ต้องแตกดับเสื่อมสิ้นสลายไปไม่ว่ารูปหยาบรูปละเอียดก็ตามรูปใหญ่รูปเล็กก็ตามแม้แต่โลกของเหล่านี้ก็จะมีเวลาที่ต้องแตกดับเสื่อมสิ้นสลายไปเพราะมันเป็นรูปรูปคนรูปสัตว์รูปสิ่งของรูปต้นไม้รูปภูเขารูปทั้งหมดทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เป็นธรรมชาติที่ต้องแตกดับเสื่อมสิ้นสลายไปนี่คือความจริงของฝ่ายรูปมันจะอยู่ตลอดไปไม่ได้แต่คนเราเนี่ยพอมันมีอาศัยรูปร่างสันฐานเป็นมนุษย์มันก็มีความรู้สึกว่ารูปร่างสันฐานนี้เป็นเราแล้วมันก็มีความหลงว่ามันต้องเที่ยงเหมือนกับจะไม่ตาย บางทีมันยอมรับบางคนก็ยอมรับว่าต้องตายเพราะเห็นคนตายแต่ตัวจิตน่ะมันไม่เชื่อตามมันยังมีความหลงอยู่ตัวจิตมันมีความหลงอยู่มันไม่เห็นความจริงไม่รู้ความจริงถ้ามันตายแล้วมันก็ต้องไปหารูปทรงใหม่แต่หารูปร่างใหม่อาจจะไปสีข่ขาบ้างสองขามีปีกบินได้ หรือว่าอยู่ใต้ดินอยู่ในน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปทั่วเลยเพอไอตัวจิตเนี่ยมันหลงว่ามีเรามีเรามีเราอยู่มันก็ต้องไปหารูปทรงใหม่รูปร่างใหม่ทีนี้ไอตัวจิตเนี่ยมันเป็นตัวสำคัญเพราะมันเป็นตัวหลงมันมีความหลงอยู่ในจิตนั้นพอมันหลงแล้วมันก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดคือไปหารูปร่าง เป็นสัตว์อบายภูมิเป็นมนุษย์เทวดาเป็นพรหมก็หมุนวนอยู่ในนี้ลหละทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นบุรุษซึ่งพิเศษเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มาเห็นปรากฏการณ์อันนี้เกิดขึ้นเอ๊ะเรานี่เกิดมาเพื่อแก่เหรอเกิดมาแล้วก็แก่กันแล้วก็เจ็บกันแล้วก็ตายกันแล้วก็ รู้สึกเห็นสมณะคือเห็นผู้สงบอะ่ะก็เกิดความรู้เข้าใจขึ้นมาว่าจะต้องหาทางออกได้ด้วยการที่ทำจิตให้สงบ ก, ก่อนเป็นสมณะตรงนี้ลหละน่าจะเป็นคำตอบผู้ที่จะตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะต้องเกิดความรู้อันนี้ขึ้นมาเองโดยธรรมชาติมันจะต้องมีในธรรมชาติของเราเนี่ยเพราะนั้นมันจึงมีพระพุทธเจ้าตลอดไปแต่ก็หายาก ผู้ที่จะรู้เข้าใจอย่างนี้อยากจะหาทางออกให้แก่ชีวิตตัวเองเนี่ยโหมันจะเวียนว่ายตายเกิดเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้เหรอมันไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยนอกนั้นไม่เข้าใจนะนอกนั้นก็เออเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันแต่ไม่รู้เกิดแก่เจ็บตายวนเวียนอยู่งั้นนะมันไม่เข้าไปหาใจเกิดแก่เจ็บตายวนเวียนไปทีมันก็จะมีผู้ที่มีบุญนะ่ะ มีบุญก็อาจจะได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าพบคำสอนของพระอริยเจ้ามันหมุนวนไปแล้วมันก็จะไปเจอเข้าก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาก็อยากจะหาทางออกจะหาทางออกนี้ก็ต้องได้ฟังคำสอนของพุทธเจ้าเกิดความเข้าใจตรงกันว่าเออไอเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ เกิดตายเกิดตายเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยนะเนี่ยเกิดความเข้าใจขึ้นมาแล้วก็รู้สึกอยากจะหาทางออกเหมือนกันอยากหาทางออกตามพระพุทธเจ้าหาทางออกตามพระเจ้าก็คือว่าต้องมารู้ว่ากายขับใจอันนี้มันเป็นธรรมชาติฝ่ายรูปนี่ก็เป็นธรรมชาติเกิดโดยเหตุปัจจัยตามธรรมชาติฝ่ายนามคือจิตวิญญาณอันเนี้ย ก็เชื่อตามผู้เจ้าว่าแรกเริ่มเดิมทีมันก็อุบัติขึ้นมาโดยธรรมชาติแสดงว่าลูกทรงสันฐานหรือกายอันเนี้ยมันก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจิตวิญญาณ น, นามธรรมาก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ตัวเองนะ่ะมันทำไม่ได้เพราะตัวจิตเนี่ยมันไม่เชื่อตามได้ยินได้ฟังมามันก็ยังหลงอยู่ ทีนี้พระพุทธเจ้าก็หาทางออกเอาไว้ให้ว่าตัวจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ต้องนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์รู้อารมณ์แล้วก็นึกคิดปรุงแต่งอารมณ์ตัวจิตเป็นตัวการเป็นตัวสําคัญฝ่ายลูกนี่เป็นธรรมชาติที่ต้องแตกดับเสื่อมสิ้นสลายไปฝ่ายน้ําเนี่ยเป็นฝ่ายที่รู้อารมณ์ได้มันร่วมลมได้โดยธรรมชาติของมันแล้วก็คิดนึกปรุงแต่งอารมณ์ได้โดยธรรมชาติของมันแล้วก็น้อมไปสู่อารมณ์ด้วย เพราะฉะนนตัวจิตเนี่ยมันก็จะไม่อยู่เฉยๆจิตของทุกคนเนี่ยมันจึงจะต้องคิดนึกปรุงแต่งอารมณ์เพราะมันเป็นธรรมชาติของมันมนรู้อารมณ์ล้อารมณ์ปั๊บมันก็จะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นแล้วมันจะคิดนึกปรุงแต่งอารมณ์ได้เองโดยธรรมชาติมันไม่ใช่ว่าความคิดเป็นเรานะมันคิดได้เองโดยธรรมชาติปรุงแต่งอารมณ์ขึ้นมาโดยธรรมชาติทีนี้ เราก็ยังไม่รู้ไม่เห็นตรงนี้เ่ยก็ได้แต่เชื่อตามเชื่อตามเชื่อตามเพราะว่านี่แหละคนที่จะปฏิบัติธรรมก็ต้องมีเชื่อตามพระพุทธเจ้าไปเชื่อในการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าคิดเองไม่ได้เลยตรงนี้ทีนี้พอเชื่อตามแล้วปฏิบัติตามที่ีหน ปฏิบัติตามทีนี้เนื่องจากว่าจิตนมันเป็นธรรมชาติได้คิดปรุงแต่งอารมณ์เดี๋ยวก็ไ ป, น, ไปนู่นไปนี่มาเ น, นี่นู่นนี่นั่นมันไม่อยู่เฉยๆไม่อยู่นิ่งๆอะไรเกิดขึ้นก็ออกไปรู้รู้เองไม่ใช่ว่าเป็นเรารู้ทีนี้เราก็ว่าเรารู้ของว่าเราคิดเรานึกเราปรุงเราแต่งเราเป็นนั่นเราเป็นนี่อันนี้คือความหลงที่มันอยู่ในจิตใจเนี่ยที่มันก่อเกิดเป็นอวิชชาขึ้นมามีความหลงอย่างนนเนี้ยทิ้งในเมื่อเราจะหาทางออกจากความหลงอันนี้ เพราะมันมีเรามันจึงหลงเวียนไหวตายเกิดก็ต้องหาทางออกหาทางออกก็ต้องวิธีของพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็ต้องรู้ตัวมีสติรู้ตัวรู้ตัวทําอะไรรู้สึกตัวเพนการปฏิบัติธรรมก็คือมีสติรู้สึกตัวรู้ตัวรู้ตัวทําอะไรรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวเพราะไม่งั้นจิตมันไหลออกไปอ่ะมันรู้ตัวรู้ตัวบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยคุณภาพจิตมันก็เกิดขึ้นมันไปไหนไม่ได้ละ พราะว่าสติเนี่ยมันคอยคุมอยู่คุมอยู่คุมอยู่รู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยู่ในเยบทเดินจงกลมอย่างเดียวมาอยู่วัดอย่างเดียวมาอยู่ป่าอยู่เขาอย่างเดียวถ้าใครตระหนักรู้ตรงนี้ว่าเออหน้าที่ของเราเนี่ยถ้าอยากหาทางออกจากกองทุกอันเนี้ยจากความหลงอันนี้จะต้องมีสติเพราะนั้นทำอะไรก็ต้องมีสติขับรถอยู่ก็ต้องมีสติทางานอยู่ก็ต้องมีสติ ก็ต้องอดทนเพราะว่าจิตมันเป็นธรรมชาตินึกคิดปรุงแต่งอารมณ์เดี๋ยวมันคิดไปนูน่นไปนี่เพอ้อไปทางนูน่นเพอ้อไปทางนี้มันคิดไปแล้วมันหลงว่าเป็นเราก็ทําไปตามความคิดนั้นก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็ต้องฝึกฝนอบรมตัวเองต่อไปอีกนี้พอสติมันค่มจิตค่มจิตเข้ามาละจิตการไหลของจิตก็ลดลงลดลงลดลงจิตก็เริ่มนิ่งขึ้นมาเริ่มอยู่กับตัวเองขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็สอนให้รู้ว่าให้คอยสังเกตว่า ปรากฏการทั้งหลายเนี่ยมันลุ้นแล้วแต่เปลี่ยนแปลงทั้งนั้นมันไม่ได้คงที่มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวเองแม้แต่หลับนะหลับนี่ลองไปดูนะเวลารูปถ่ายเขาถ่ายรูปคนนอนหลับนี่เดี๋ยวพลิกซ้เดี๋ยวพลิกขวาเดี๋ยวเกาหนุนเกาหนี้เก่าค่อยเก่าแรงยุกยุกยิกยิบหรือเราก็เหมือนกันถ้ามาอยู่ในท่านั่งสมาธิอะไรอยเงี้ยมันก็จะยุกยุกยิกยิบมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเลย ทนี้การที่มันมีอย่างนี้เราก็ต้องคอยรู้ทันรู้ทันรู้ทันเพราะฉะนั้นการมีสติอยู่เนี่ยทำอะไรอยู่ก็ต้องรู้ตัวยกตัวอย่างว่ า, าทําอาหารอยู่ขณะที่เราเอาอาหารลงไปใส่หมอ้อเนี่ยเราก็จับปึ๊บมองไปมือก็คนไปขนาด น, นั้นน่ะถ้าเรารู้สึกตัวรู้ตัวอยู่มันก็เป็นสติตัวสติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบัน เมื่อมีสติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับวันเนี่ยมันก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นสมาธิที่รู้อารมณ์ได้เพราะนั้นสมาธิที่ต้องการเนี่ยมันจริงเป็นคณิกสมาธินี่แหละไม่ว่าจะเคยมีสมาธิแน่วเนี่ยมีองชาญมีอะไรก็ตามแต่สุดท้ายเวลาที่มันจะได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยมันก็กลายมาเป็นคณิกสมาธินี้คือรู้อารมณ์แต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะ เมื่อมันรู้แต่ลัขนาดอย่างนี้มันก็สังเกตมันก็จะมาอย่างซุ่ยมันทำงานอย่างนี้ทำอาหารก็ตามหรือทำการทำงานรดน้ำต้นไม้ก็ตามดาย่าก็ตามมันก็จะรู้สึกขึ้นมาได้ร่างกายมันเมื่อยร่างกายมันเจ็บหน่งกายมันปวดนี่คือตัวสติในชีวิตประจำวันมันก็จะมารู้กายต่อมามันก็จะรู้ที่นามาทาด้วยคือมันอาจจะรู้หยาบๆก่อนรู้ว่าเออมันคิด ตอนแรกก็นานๆกว่าจะรู้คิดไปตั้งนานแล้วกว่าจะรู้คิดนู่นคิดนี่ต่อมามันก็รู้ได้เร็วขึ้นรู้เร็วขึ้นรู้เร็วขึ้นต่อมาก็สามารถรู้รู้โดยอัตโนมัติขึ้นมาคือถ้ามันมีกำลังขึ้นมาแล้วพาดรู้ของจิตเนี่ยไอความรู้ของจิตเนี่ยมันก็จะรู้ได้เร็วขึ้นรู้ได้ละเอียดขึ้นรู้ได้ลึกซึ้งขึ้นรู้ทั้งรูปรู้ทั้งนามมมรู้แล้วมันก็จะเห็น อย่างเรื่องของร่างกายอย่างเนี้ยร่างกายมันก็จะมีความเจ็บความปวดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าของมันหิวกายปวดนั่นปวดนี่ห่วงนอนอยากหลับอยากนอนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเหนื่อฝ่ายร่างกายไอ้ตัวที่รู้ก็คือตัวจิตนั่นแหละเพราะมันเฝ้าสังเกตอยู่มันก็มาเรียนรู้ว่าโอ้ผมก็ยังรู้หยากอไปก่อนรู้เรื่องรู้เรื่องเริ่มหันมารู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องกาย ว่าร่างกายของเรามันเป็นอย่างนี้ส่วนตัวจิตเนี่ยมันเป็นนำมาทำมันมีความรวดเร็วแต่ก็รู้ได้สามารถรู้ได้รู้ขนาดไหนก็รู้ไปเรื่อยขอให้รู้ก่อนรู้ไปรู้แล้วมันก็จะค่อยๆเข้าใจว่าเออมันเกิดแล้วก็ดับมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถ้ามันยังยังไม่ตันหนักลึกซึ้งมันก็จะมีเหลขึ้นมา หลงว่าเป็นเรา ấy, มันก็จะมีเนี่ยมีความหลงบ้างมีความคลุความเข้าใจบ้างก็ฝึกไปฝึกไปทีนี้ในเมื่อเราเนี่ยต้องการที่จะให้มันรู้ละเอียดขึ้นเพราะว่าตัวสมาธิเนี่ยมันทําให้เห็นอารมณ์ได้ชัดเจนเพราะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันรวดเร็วมากเลยอะถ้าหากว่ามีสมาธิมันทําให้จิตของเราเนี่ย สังเกตดูอารมณ์ได้ชัดเจนเหมือนอย่างยกตัวอย่างว่ามันเจ็บอย่างเนี้ยเรานั่งไปมันเจ็บเนี่ยทีแรกก็เป็นกายเจ็บรู้สึกเจ็บเจ็บปวดรู้สึกทรมานขึ้นมานี่เพราะคุณภาพจิตของเราเนี่ยมันยังมีเหลามากมันก็ยึดร่างกายมากยึดร่างกายมากก็มีเวทนาขึ้นมาก็เป็นเราเจ็บมากทีนี้พอจิตมันเริ่มเป็นสมาธิขึ้นมาเนี่ย แทนที่จะไปเห็นว่าร่างกายเจ็บมันก็เห็นไปเฉพาะตัวเจ็บอ่ะมันจอดูตัวเจ็บอ่ะพระลหันก็เจ็บพระพุทธเจ้าก็เจ็บตรงนี้นะแต่ความเจ็บของพระพุทธเจ้าพระระหันเนี่ยจิตของท่านละเอียดท่านเห็นแค่รู้ว่าเจ็บแล้วก็เฉยเฉยอ่ะตัวรู้นี่มันเฉยเฉยอะแต่เรารู้ว่าเจ็บเราทาใจไม่ได้ที่นี้ใจเราก็กระสับกระสาย ไอ้จากเจ็บทางกายเนี่ยมันก็เลยมามีผลต่อจิตเราถ้าผู้านท่านเจ็บมากๆเจ็บแรงๆแงสดง ว, ว่าเออธาต์ขันมันจะแตกอย่างเงี้ยจิตของท่านก็มีเหมือนกันรู้สึกเหมือนกันรู้สึกว่าโอ้โหมันเจ็บรู้ว่ามันเจ็บรู้สึกจิบแรงออืร่างกายจะแย่ แ, ยแล้วทนไม่ไหวแน่ๆเลยธาต์อันนี้จะต้องแตกแน่นอนเลยแต่ท่านรักษาจิตท่านได้โดยธรรมชาติเพราะท่านไม่ยึดอยู่แล้ว แต่ไอความเจ็บนี่ห้ามไม่ได้เลยต้องเจ็บทีนี้ปฏิยาของจิตที่เกิดขึ้นท่านเห็นตลอดทีแรกมันก็อาการของมันมีมันก็จะรู้สึกขึ้นมาว่าเจ็บเจ็บมันจะมีอาการทีนี้มันก็อยากให้เจ็บหายมันก็จะมีหรือว่ามันก็มีอาการคิดแต่คิดนิดๆหน่อยๆซึ่งถ้ารู้ตลอดมีรู้ทั้งความรู้สึกรู้ถึงอาการจิตที่มันคิดอย่างรวดเนวแบบชนิดที่ไม่มีล่องรอยเลยในความคิดนั้น คล้ายๆกับเหมือนลอยๆอยู่แต่มันโผล่ออกมาได้ไม่มีหน้าไม่มีตาอะไรเลยแต่เป็นเรื่องเป็นราวได้ซึ่งพรงนี้มันจะเกิดดับอยู่แบบเกิดเองดับเองเลยหีจิตของพระอรหันต์เนี่ยธาตุรู้ของท่านเนี่ยมันก็มีกำลังด้วยซึ่งเป็นตัวจิตเนี่ยตัวจิตมันเป็นธาตุรู้ส่วนไอตัวที่มันปรุงแต่งอยู่นั่นน่มันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าภาษาอภิธรรมเขาเรียกเจติก มันมีอยู่หรือเปรียบเทียบว่าเหมือนกับกระดาษกระลอยยับหรือกระดาษที่มีสี แ, แตงแก้มตัวกระดาษนั้นจะเป็นตัวจิตแต่พวกรอยยับอันนี้รอยยับของกระดาษนั้นมันก็คือตัวเนี้ยพวกเจตสิกนี้พวกที่คิดได้นี้มันก็เหมือนอยู่ในจิตอะ่ะแต่ว่ามันเกิดแล้วก็ดับไปเลยอะ่ะมันเหมือนลอยลอยอยู่ ทายท้าเข้าไปเห็นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมันไม่ใช่ว่าเป็นรูปเป็นล่างเป็นหน้าเป็นตาอะไรแต่รู้สึกได้ว่ามันคิดอย่างนี้มันว่าอย่างนี้ไอ้ตัวดูก็ยังดูอยู่แต่ตัวดูนี่มันไม่หมายอะไรเลยเพราะมันเป็นธรรมชาติจิตของผู้เจ้าก็จะต้องแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าในเมื่อมันลงสู่ธรรมชาติแล้วมันไม่เป็นอะไรแล้วอ่ะมันเป็นแค่ธาตุรู้อ่ะในธาตุรู้นั้นอ่ะมันก็จะมีปฏิยาอะไรที่มันเกิดขึ้น ซึ่งเป็นปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเองพวกนี้เป็นเองหมดเลยแล้วแต่เหตุปัจจัยว่ามันจะมีเหตุปัจจัยขึ้นตัวจิตก็จะรู้รู้มันไปไอตัวเกิดดับนี่ก็เกิดดับไปทีนี้ถ้าไม่ยึดอ่ะถ้าไม่ยึดอ่ะก็เห็นว่ามันเกิดดับเป็นธรรมชาติไปหรือว่าถ้าหากว่าเปรียบน้ำํำวน่าน้ําในขวดไอเนื้อของน้ำนั่นน่ะก็คือตัวจิตทีนี้ในน้ํามันต้องมีผิวของน้ําอ่ะมันก็จะมีสิ่งที่มัน เกิดขึ้นซึ่งมันมีอาการเคลื่อนไหว ม, มีอาการมีลมมีอะไรพัดมันก็ต้องมีอาการสั่นไหวบ้างอะไรเงี้ยไอ้ตรงนั้นน่ะมันก็คือตัวที่เป็นเจตสิกนั้นตัวที่คิดได้ปรุงแต่งได้แต่จะว่าเป็นจิตมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันอาศัยจิตเกิดเพราะมันเกิดและดับเกิดและดับทีนี้ถ้าเป็นปุตุชนล่ะก็มีปฏิยาของจิตอย่างนี้เหมือนกันคิดมีความรู้สึกเกิดขึ้น จากนั้นจะเริ่มปรุงแต่งอย่างรวดเร็วแล้วก็คิดคิดคิดก็จะเป็นจริงเป็นจังแล้วนะทีนี้คิดไปอย่างนั้นอย่างนี้ mm hmm. แล้วก็พูดพูดในจิตก่อนพูดในจิตแล้วถึงจะออกมาพูดข้างนอกพูดไปแล้วก็ทำไป mm hmm. เรื่องราวทั้งหมดของโลกเราเนี่ยก็เลยออกมาจากจิตจิตที่เป็นนำมาทำนั่นเองแต่ตัวจิตนั่นน่ะถ้าเข้าไปถึงความจริงแท้ของมันก็คือว่า มันเป็นธาดรู้เฉยๆเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ได้เองแล้วก็คิดนึกปรุงแต่งอารมณ์ได้ด้วยแถมมันคอยจะน้อมไปสู่อารมณ์ไปหาอารมณ์มาคิดอยู่ตลอดคนที่มีอวิชชาทั้งหมดเนี่ยยกเว้นพหลานจริงหลงจิตหลงจิตว่าเป็นเรานี่คือตัวอวิชชาอาวิชชานี่นต้องไมห่หลงจิตหลงจิตว่ามีเราก็หลงรูปทรงสันฐานที่มาอาศัยเป็นเราไปหมดเลยแต่ความจริงแท้ของมันเนี่ มันคือธรรมชาติอันหนึง่งที่รู้อารมณ์ได้เนื้อคิดปรุงแต่งอารมณ์ได้เองแต่ว่าคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็เกิดดับด้วยมีเหตุปัจจัยก็เกิดทันทีเลยไม่รู้มันจะเกิดเมื่อไหร่แต่ถ้าเหตุปัจจัยมันถึงพร้อมก็เกิดยกตัวอย่างความเจ็บเนี่ยมันชัดเจนอะ่ะเพราะว่าเจ็บแล้วมันมีเวทนาเกิดขึ้นมีเวทนาเกิดขึ้นปั๊ปไอตัวจิตเนี่ยมันก็มารับรู้ความเจ็บโดยธรรมชาติของจิตเนี่ย มันก็ไม่อยากเจ็บอัะมันอยากเอาสุขเวทนาอยากให้ได้รับความพอใจสมใจสมอยากเป็นไปอย่างที่ตัวเองปรารถนามันก็เลยมีปฏิยาเกิดขึ้นคิดปรุงแต่งถ้าหากว่ามันเป็นสุขเวทนาหรือมันเป็นที่พอใจอ่ะมันอยากจะเอาเข้ามาทันทีเลยมันจะปรุงไปในทางเอาเข้ามา แต่ถ้าหากว่ามันไม่สมอยากไม่สมกับความต้องการของตัวเองมันก็อยากผักสายอยากต่อต้านอยากให้สิ่งนั้นนะดับสลายไปอันหนึ่งก็คืออยากให้คงอยู่อยากให้เป็นของเราอยากให้มันเที่ยงอีกอันหนึ่งก็คืออยากให้มันดับอยากให้มันเสื่อมสิ้นสลายไปแต่ทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นมันจะไม่เที่ยงอย่างที่เราต้องการ แล้วมันก็ไม่ใช่ขาดศูนย์ไปอย่างที่เราต้องการนั้นมันมีเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นหมดเหตุปัจจัยก็หมดไปแต่เวลาเราประสบอะไรก็ตามถ้ามันดีขึ้นมาแล้วถูกใจเราเราก็อยากให้มันเที่ยงเวลาพูดก็จะพูดไปในทานองว่าของเราต้องเที่ยงต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปคิดก็ต้องคิดในทานองนี้ แต่ถ้ามันไม่ถูกใจมันก็จะพูดไปในทํานองอยากให้สลายไปหรือไม่อยากไปเกี่ยวข้องไม่อยากเข้าใกล้มันก็เลยมีอย่างนี้อยู่ในจิตของแต่ละคนเนี่ยถูกใจชอบใจก็จะเอาเข้ามาแล้วก็อยากให้เที่ยงอยากให้คงอยู่ตลอดไปอยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการถ้าไม่สบายหรือไม่เป็นที่พอใจมันก็ผักสายผักต้านอยากให้มันสลายไปมันจึงเป็นที่มาของมิจฉาทิฐิ ความหลงผิดอันหนึ่งหลงว่าเที่ยงอันหนึ่งหลงว่าขาดศูนย์เนี่ยสัสตตติทิฏฐิหลงว่ามันเที่ยงอุเชตทิฐิเนี่ยมันหลงว่ามันขาดศูนย์ทีเราสรุปแล้วว่าโดยธรรมชาติเนี่ยจิตของพระพุทธเจ้าหรือจิตของพระหลานเนี่ยถ้ารู้หมดคือตามดูตลอดตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมชาติอันนี้จนความยึดติดข้องความลุ่มหลงว่าเป็นเหล่ามันคายออกไป เจ็บก็โอ้แต่ก่อนว่าเราเจ็บเจ็บปุ๊บเราเจ็บแต่พอมีสติขึ้นมาแล้วจิตมีสมาธิขึ้นมาแล้วจิตมันเริ่มมีคุณภาพขึ้นมาแล้วตัวจิตนี่ยมันเริ่มเห็นว่าเฮ้ยเจ็บเนี่ยมันมันอยู่ที่กายอ่ะไม่ใช่เราเจ็บเนี่ยไม่ใช่จิตเนี่ยแต่ถ้าอุปทานมันยังมากอยู่มันก็ถึงจะพยายามสอนจิตหรือจะบอกจิตหรือว่าเอาคําสอนของพระเจ้ามาอบรมจิตว่ามันแสักแต่ว่าเจ็บมันไม่ใช่เราเจ็บบางทีมันก็สู้ไม่ได้ทําไม่ได้เพราะว่า คุณภาพจิตน่ยความรู้ของจิตเนี่ยมันยังไม่เพียงพอมันจึงต้องขึ้นอยู่กับการฝึกฝนอบรมมีสติตามดูอย่างเงี้ยตามดูไปมันจะค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเห็นเวทนาไม่ใช่ของเราเห็นกายไม่ใช่ของเราเห็นพวกนี้เปลี่ยนเกิดดับอาการทางจิตก็เกิดขึ้นมาก็เห็นว่ามันเกิดดับไปหยับหยับไปเรื่อยเรืยเรื่อยเรืทีนี้พอมันคายออกได้คายออกได้มันจะรู้สึกเบาเบา เบาคือมันเริ่มรู้ความจริงอ่ะแต่ต้องอดทนสักหน่อยหนึ่งตรงเทียนเนี่ยพระเจ้าจึงบอกว่าต้องมีความเพียร น, นะไม่เพียรแล้วก็เราอยากให้มันเข้าใจอยากให้มันหลุดพ้นอยากออกจากการเวียนว่ายตายเกิดอยากถึงวันนิพพานมันก็ถึงไม่ได้พราะเราไม่เพียรเพียรก็คือเพียรมีสติแล้วก็ทําความเข้าใจด้วยไอ้ที่ทําความเข้าใจนี้เขาเรียกว่าหลักโยนิโสมนสิการหรือจะเรียกว่าสัมปชัญญะก็ใช่ คือมีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะด้วยคือมันจะคอยสังเกตรายละเอียดเข้าไปอันนี้มันก็เป็นภาษาสมมุติที่สื่อเข้ามาหาการขบวนการปฏิบัติหรือถ้าเราไม่รู้จักชื่อมันแต่ว่าเราพยายามรู้ตัวไว้รู้ตัวไว้แล้วก็ยอมรับความจริงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเออมันไม่ใช่เราหรอกมันไม่ใช่ของเราหรอกไปก่อนพอจิตมันเริ่มมีคุณสมบัติที่จะรู้เห็นของมันเองขึ้นมามันก็รู้ขึ้นมา รู้ขึ้นมามันก็จะเข้าใจขึ้นมาตามดูรูปตามดูนามตามดูกายตามดูจิตหรือถ้ารูปก็เรียกรูกประขันก็ได้มันก็ขัดย้ายออกมาเป็นขันห้าเวทนากับเวทนาขันไปทีนี้ในจิตเนี่ยในขณะที่มันทํางานอยู่มันก็นึกเห็นพอมันมีอะไรมันก็นึกของมันนึกของมันยังรวดเร็วที่สุดเลยตึ๊บขึ้นมาเลยแต่ก็เกิดดับเหมือนกันก็เรียกว่าสัญญาไปสัญญาขันไป คุงแต่งขึ้นมากับเป็นสังขารละขันไปมันก็เลยตัวไปรู้อารมณ์ทั้งหลายก็เป็นวิญยาณขันมันก็กลายมาเป็นขันห้าจากรูปจากนามเราก็แยกพูดให้มันละเอียดขึ้นว่าเออมันเป็นขันห้านะก็เลยกลายเป็นการทํางานของขันห้าอยู่ตลอดเวลาร่างกายก็เคลื่อนไหวไปทํานู่นทํำนี้มีหิวมีกระหายมีร้อนมีหนาวมีเหนื่อยมีสบายมีสุขมีทุกข์มีเจ็บมีปวดมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นไปอยู่ตลอด เงียฝ่ายรูปหรือรูปประคันทีนี้เวลาไอ้ตัวทุกข์จริงๆเ่ยตัวทุกข์จริงๆไอ้ทุกข์บีบคั้นเนี่ยมันก็ทุกข์ชนิดหนึ่งเหมือนกันหมายว่าทุกข์จริงๆเนี่ยหมายถึงว่าให้สิ่งที่มันเกิดดับนั่นแหละสิ่งนี้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นแหละมันไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบังคับ บ, บัญชามันไม่ได้พร่อเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตรงนั้นต่างหากที่เป็นทุกข์ที่แท้จริงความหมายของทุกข์ที่แท้จริงคือตรงนั้น รวมทั้งทุกที่เกิดจากการบีบคั้นทางกายมันก็เข้าลักษณะนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเจ็บจะปวดมันก็มีวันที่มันจะเปลี่ยนแปลงได้มีหนักมีเบามีค่อยมีแรงรวมทั้งตัวจิตมันอาจจะไปเสวยทุกขเวทนาไปเอาทุกทางกายมันไปเสวยไปกินเข้ามาไปอินเข้ามาไปเอามากลายเป็นความทุกข์ของจิตเกิดเป็นความละคายเคืองเกิดเป็นความไม่ชอบใจกระปุ้งแต่งไปดินน้นรน ถ้าเป็นคนทั่วไปก็ทั้งหงุดหงิดลำคาญคุณเคืองโกรธเคืองเรื่องเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็คือต้นตอมันก็คือตัวจิตนั่นแหละตัวจิตที่หลงนั่นแหละจริงจิตจริ ง, รงๆก็เป็นธรรมชาติด้วยแดกเริ่มเดิมทีมันก็ไม่ใช่เรามันติดเราได้ยังไงมันก็เกิดมาจากไงก็ไม่รู้จนผู้เจ้าไม่ตอบเลยว่าจิตเนี่ยมันมาจากไหนไม่ตอบคําถามเนี้ยพราะมีมาของมัน่ะพอมันมาไอ้รวมกับรูปเนี่ย มันมาอาศัยรูปปั๊บรูปก็เริ่มมีผลต่อจิตอ่ะเป็นปฏิยาของจิตนี่มันก็ก่อเกิดเป็นอวิชาขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราขึ้นมามันไม่รู้เลยว่าจริงจริงจริ ง, รงแท้น่ะมันเป็นธรรมชาติมันรู้อารมณ์ได้เองนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์ได้เองผลจิตทุกคนเนี่ยมันยังคอยจะหาเรื่องคิดอยู่ตลอดอะ่ะเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันไม่ได้ไปห้ามความคิดแต่ว่าจาสอนให้รู้ทันรู้ทันรู้ทัน การเคลื่อนไหวของร่างกายก็ให้รู้ทันรู้ทันรู้ทันการเคลื่อนไหวของจิตก็ให้รู้ทันรู้ทันทั้งฝ่ายรูปฝ่ายนามนี่ผู้ปฏิบัติ ต, ต้องหาทางให้รู้ทันมันจึงต้องมีสติอยู่ตลอดตลอดตลอดไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนทำ น, นู่นทำนี่ยกเว้นในลัหลับเพระคนไหนที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเข้าใจจ้องพยายามอยู่อย่างเนี้ยถ้าใครพยายามอยู่อย่าง น, ายายยางนี้สติมันก็ดีขึ้นมาเพราะการกระทำอย่างเนี้ยมันทําให้จิตมีคุณสมบัติอันหนึ่งคือมันรู้อารมณ์ได้เร็ว่ ทำให้มันรู้อารมณ์ได้เร็วตัวสติเนี่ยมันจึงทําให้จิตรู้อารมณ์ได้เราพูดถึงนี่พูดถึงเนื้อหาของมันไม่ได้พูดถึงตามภาษาหรอกพูดถึงหน้าที่ของมันอะเราะว่าเรามีสติมีสติขึ้นมาไอ้ตัวจิตมันจะรู้อารมณ์ได้เร็วแต่ก่อนไม่รู้ต่อมามันจะค่อยรู้ขึ้นรู้ขึ้นรู้ขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใครสำรวมใคระระมรัดระวังใครเฝ้าดูอยู่อย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสรู้อารมณ์ได้เร็วแต่ถ้าใครโอ้ยมันก็ในจิตของคนเราก็บอกแล้วมันก็อยากให้สมอยากมันก็ อยากพูดอยากคุยอยากเล่นอยากหัวอยากไปดูหนังดูละครดนูน่นนี่เรื่องราวทั้งหลายของโลกมันมีเยอะแยะไปมันไหลไปไหลไปไหลไปมันก็ห่างออกไปหาไป่หางจากการรู้ตัวการรู้จักตัวเองเนี่ยออกไปเรื่อยๆกลายเป็นความฟุง้งซ่านกลายเป็นอะไรไปมันก็ไปหลงอารมณ์ข้างนอกเป็นดีไปดีแบบโลกดีแบบข้างนอกถ้าดีตามพรเจ้าก็คือดีแล้วมารู้สึกตัวมารู้จักตัวเอง หมายว่าสามารถที่จะทําให้จิตของตัวเองมีคุณสมบัติที่ตามรู้รูป ร, รู้นามตรงนี้รู้รูปรู้นามแล้วก็มาเห็นว่ารูปนามอันนี้อะบังคับบัญชามันไม่ได้ล็อกเดี๋ยวก็เจ็บป่วยไข้ขึ้นมาปวดนั่นปวดนี่เดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวกะหายเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวซึมอยากหลับอยากนอนในอากาศมันมีสิ่งที่มันเป็นปฏิปักษ์ต่อร่างกายะมีเชื้อโรคมีไวรัสอะไรแบคทีเรียมก็ เข้ามากระทบมันก็มีปฏิยาของร่างกายขึ้นมาเกิดเป็นความเจ็บความปวดปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอซึ่งบังคับมันไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเฝ้าดูอย่างนี้ใจมันจะยอมรับขึ้นมาบอกโอ้มาเป็นเรื่องของร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่เราเนี่ยไม่ใช่เราไปสร้างมันขึ้นมานั่นเนี่ยมันก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องร่างกายก็ถ้าหากว่าบางครั้งมันจิตมันน่ะตัวจิตก็มีปฏิยาเหมือนกันเพราะว่ามันเข้าไปเสวยอารมณ์แล้ะ มันไปรู้สึกกับอารมณ์นั้นทางกายมันอยู่ด้วยกันน่ะมันก็ไปรับรู้รับรู้ขึ้นมามันก็รู้สึกไม่สบายขึ้นมาทางจิตด้วยตอนที่จริงเ่ยมันไม่สบายทางกายแต่ว่าจิตมันไม่รู้มันไม่รู้มันก็รู้สึกไม่สบายตามไปด้วยปฏิญญาของมันรวดเร็วขนาดนั้นเลยนะทั้งทั้งที่เจ็บปวดทางร่างกายเนี่ยมันก็เข้าไปมีผลต่อจิตใครๆจิตก็รู้สึกเหมือนเหมือนไม่ค่อยสบายพอไม่สบายปุ๊บมันก็จะอยากเอาสบายทันทีเลยแล้มันจะคิดปรุงแต่งไปเลยอ่ะ ทำให้สบายว่าคนนี้ทําให้เราไม่สบายเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ไปเรื่อยอะือดิ้นลาคาลร้ลองหยงร้องไห้แต่ถ้าเรามีสติอยู่เราก็จะเห็นค่อยๆเห็นไปบางทีมันคิดไปตั้งเยอะตั้งแยะแต่ยังไม่เห็นนะต่อมาก็เห็นเอ้ยโอ้โหมันเห็นตอนมันทุกข์แล้วอะ่ะจิตใจมันกระสรับกระสายแล้วอะ่ะมันดิ้นลนแล้วอะ่ะมันกําลังคุ่นคิดถึงเรื่องคนนั้นคนนี้อยู่ที่มาทํำเราทําให้เราไม่สบายเนี่ยมารู้ทันตรงเนี้มันจะหยุด รู้ทันมันถึงจะหยุดถ้ารู้ไม่ทันไม่หยุดอ่ะนี่กระบวนการของการปฏิบัติเนี่ยมันยิงสําคัญตรงที่การรู้ตัวนี้เหมือนจะไม่ได้อะไรอ่ะคนที่ปฏิบัติเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเขายังเริ่มต้นเขายังสติมันยังไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทําทให้จิตรู้อารมณ์ได้อ่ะตัวเองก็อยากเนี่ยเกิดความอยากขึ้นมาอยากได้ผลเร็วๆอยากเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรายิ่งไปได้ยินพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ เข้าใจหมดแล้วรู้หมดแล้วนี่ทําไมมันยังไม่ได้ทําไมมันยังไม่เป็นก็จิตมันมันยังฝึกไม่ได้ที่ได้ทางมันยังไม่เพียงพอมันยังตามดูรู้เห็นไม่พอความเข้าอกเข้าใจมันก็ยังน้อยอยู่่ะก็ต้องทําต่อไปอีกตอนแรกก็รู้ไปก่อนรู้ขณะขณะนี่แหละต่อเนื่องไปเรื่อยต่อมาพอมันเริ่มจิตเริ่มอยู่ละอาการที่มันออกไปลดลงแล้วก็มาทําความเข้าใจ นี่แหละคือขั้นตอนเรียกว่าโยนิโสมนสิการเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงพูดกับพระสารีบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรคําว่าโสตโสตานี้โสตาปฏิยังฆะคืออะไรสารีบุตรภาษาสารีบุตรบอกว่าโสตาปฏิยังฆะนี่ก็หมายว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าสู่กระแสโสตานี่คือกระแสเข้าสู่กระแสเข้าสู่กระแสคือกระแส ข, ของพันิพานหรือกระแส ข, ของพ่อลหลนมีสี่อย่างพระเจ้าค้า สีย่ย่งอะไรบ้างสารีบุตรอันนี้พูดไม่ได้ไปจดจําพุทธพจน์นะเราพูดให้มันเข้าใจว่าเออพระพุทธเจ้าถามภาษารีบุตรเพื่อเพื่อที่จะสนทนาปาศัยเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยได้สนทนาธรรมกันได้ใช้สติปัญญาเพื่อที่จะช่วยกันเผยแผ่ธรรมหรือยังไงก็ไม่รู้ละ่ะแต่ว่ามันมีว่าโสตาปัฏยงังฆะคืออะไรสารีบุตรโสตาโสตาคืออะไรโสดาคือการเข้าสุกกระแสโสตาปฏยงังฆะล่ะก็คือเนี่ย ผู้ที่จะเข้าสู่กระแสนี้ต้องมีคุณสมบัติสี่อย่างสี่อย่างอะไรบ้างหนึ่งต้องคบสัพ ป, ปะบุรุษสัพ ป, ปบุรุษหมายถึงว่าผู้ที่บรรลุธรรมตัดสัุ้ธรรมบรรลุธรรมอย่างนี้เลยอ่ะหมายถึงพระพุทธเจ้าเลยแต่สมัยนี้ก็ต้องไปหาผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างเงี้ยใกล้เคียงพระเจ้าอย่างเงี้ยเผ่าระะหัน์อย่างเงี้ยพอท่านบรรลุธรรมแล้วอ่ะถ้ามีความรู้ความเข้าใจสามารถสื่อพูดให้เราฟังอธิบายเราฟังได้ เมื่อเข้าไปหาสัพพบุรุษแล้วครบสัพพบุรุษแล้วให้ฟังพระสัตธรรมคําว่าพระสัตธรรมก็คือธรรมที่เป็นเรื่องของการที่จะออกจากทุกข์ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เรียกว่าสัตธรรมมันทํามันมีเยอะนะทําทั่วไปเออทำบุญสุนทานอย่างงั้นอย่าง น, น, างนี้ตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์เนี่ยอะไรนี่ก็สําหรับอีกคนประเภทหนึง่งแต่คนที่จะเข้าสู่กรแสนี่จะต้องฟังพระสัตธรรมสัตธรรมะสวัณง หมายว่าทำที่ทําให้สามารถปฏิบัติแล้วพ้นทุกได้ออกจากทุกได้เข้าสู่นิพพานได้เมื่อฟังทำแล้วทํำยังไงต่อไปให้มีอยู่ในโสมนัสิการก็คือเอาจิตมาดูกายกระตั้มและทําความเข้าใจทำํทำทาความเข้าใจได้ก็ทําความเข้าใจเอ้ยนี้เห็นไหมมันไปอยู่ของมันนะเนี่ยมันเคลื่อนไหวอะไรของมันเนี่ยเหมือนกับมันสังเกตอ ย, อยู่เงียบๆเดี๋ยวความรู้ค่อยๆเกิดขึ้นเราก็ช่วยไปด้วยเอาคําสอนของเจ้ามาอธิบายให้มันฟังก่อน ว่านี่เห็นไหมมันเจ็บมันป่วยมันไข่เนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันนะเนี่ยมันไม่ใช่เรานี่ยเนี่ยไอ้ตัวจิตก็ดูอยู่ไอ้คาสอนที่มาจากพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ซึมเข้าไปซึมเข้าไปเริ่มรับรู้เพราะมันเห็นด้วยมันเห็นด้วยมันรู้สึกได้ด้วยว่าเอ้ยร่างกายมันมันเป็นสิ่งถูกดูน่ะมันมีเวทนาเอาเวทนาก็อยู่ที่กายมันเป็นสิ่งถูกดูนี่มันแสดงว่าไม่ใช่เราสิเวทนาไม่ใช่เรากายไม่ใช่เรานี่นาทีนี้ไอ้ตัวจิตมันอะปุ๊บขึ้นมา พอสติมันดีแล้วเนี่ยเอ้ยขึ้นมาคิดขึ้นมาเอา้านี่ก็ไม่ใช่เราอีกแล้วรู้สึกขึ้นมาคิดขึ้นมาปุ้งแต่งขึ้นมาเอา้านี่ก็ไม่ใช่เราเอาอยากขยับอยากเลิกอยากหนีเอา้เอาเเอาก็ดูไปก่อนเดี๋ยวมันก็ดับไปดับไปมันก็ทนได้ทนได้ก็เริ่มรู้ขึ้นมาเอ้าเอาไอา้นี่มันเกิดดับนีนะ่นามันก็ฝึกไปฝึกไปฝึกไปความอดทนความทนมันก็มากขึข้นขันติก็มากขึ้นคุณสมบัติของจิตก็เริ่มรู้มากขึ้นรู้อารมมากขึ้นเริ่มแยกกออ แยกอันนี้เป็นลูกอันนี้เป็นเวทนานี่สัญญานี่สังขารหนี่วิญญาณเห็นการทํางานของขันห้าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บถ้าใครมันจิตมันมีคุณสมบัติมันพอด it. ีกับการที่จะรู้เห็นมันก็เห็นอาการที่ผู้ดูก็ดูอยู่ไอสิ่งถูกดูก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมีผู้ดูสิ่งถูกดูปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บความรู้ความเข้าใจนี่ก็ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเป็น ไม่ได้มีตัวเราอยู่ในนั้นนั้นเป็นเวลาที่ธรรมะมันเริ่มปรากฏขึ้นมาถ้ามันลึกซึ้งของมันแล้วมันจะเป็นอัตโนมัติของมันเพราะนคนที่จะบรรลุมรรคเนี่ยมันจริงมีธรรมชาติอันนี้อยู่ในจิตนั่นแหละเวลาฝึกไปฝึกไปมันจะเข้าไปถึงเพราะฉะนั้นจริงมีหลักว่าต้องพยายามไม่มีความอยากแต่มันอยากมันต้องรู้มันห้ามมันไม่ได้เนี่ยอยากก็รู้ว่าอยากมันจะไปคิดทําไมมันไม่ได้ผลนะแล้วก็เออแสดงว่าเหตุมันไม่พอ ก็ต้องสร้างเหตุต่อไปผลต้องมาจากเหตุที่เมื่อพระสารีบุตรบอกว่าต้องมีอยู่ใโสมนัสิการนั่นก็คือทําความแยกขายให้เกิดขึ้นคิดให้ตรงกับความจริงหรือทําความเข้าใจให้จิตเนี่ยมันเข้าใจตามความจริงเดียวว่าอยู่ในโสมนัสิการใส่ใจให้ตรงกับความจริงให้มันเห็นว่าเออร่างกายเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของมันจิตนี่ก็ธรรมชาติของมันไม่ว่ามันอะไรเกิดขึ้นให้มันเห็นว่า มันเกิดแล้วกระดับไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเปลี่ยนแปลงของมันเราก็จะได้ไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมาทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ส่วนข้อที่4คุณนันทข้อที่4ี่ก็คือธรรมานุธรรมปฏิปติข้อสุดท้ายนี้คือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมคราวนี้เราปฏิบัติปฏิบัติก็คือนี้แหละตามดูตามรู้ตามเห็นอย่างเงี้ยพอสอนจิตได้สอนจบลมไปมันเห็นเองก็ปล่อยให้มันดูไปเห็นไปบางทีมันก็เอามีบ้างเอามันนิ่งนะเพราะมันพัก ก็ไม่เป็นไรก็รู้ว่ามันนิ่งเสี ย, ยต้องรู้เพราะนั้นขบวนการปฏิบัติแท้จริงต้องรู้ตัวตลอดมันนิ่งต้องรู้ว่ามันนิ่งมันสงบรู้ว่าสงบมันสุครู้ว่าสุขทุกรู้ว่าทุกนี่นคือว่าเห็นปัจจุบันกับปัจจุบันรู้ตัวถ้าใครรู้ตัวอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆธรรมานุธรรมะป ฏ, ปฏิบัติปฏิบัติธรรมคําว่าปฏิบัติธรรมสมควรแจกธรรมก็คือว่าธรรมานุธรรมะนุธรรมะนี่ไม่ว่าทำย่อยๆ ธรรมมาก็คือธรรมใหญ่ๆหญ่ธรรมใหญ่ๆหมายถึงมรรคผลหมายถึงนิพพานเลยก็มีธรรมย่อยๆครือายการรู้เนี่ยรู้ไปเรื่อยๆรู้ว่ามันเกิดรู้ว่ามันดับรู้ไปรู้ไปแล้วมันส่งให้มันคอยตามธรรมะใหญ่ๆนั้นเมื่อธรรมะใหญ่ๆนี่มัเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่มีตัวไม่มี ต, มมตนแต่ว่ามันยังทําไม่ได้ก็เลยมาปฏิบัติให้มันไปทีละเล็กทีละน้อยรู้ไปทีเล็กทีละน้อยก็เลยเป็นธรรมานุธรรมะปฏิปติ ูุธรรมะก็คือทำย่อยๆให้มันเป็นไปเพื่อการรู้ธรรมใหญ่ธรรมใหญ่ก็คือไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่ของเกิดของดับมีแต่ธรรมชาติล้วนๆทั้งฝ่ายรูปและฝ่ายนามถ้าใครทำตามขบวนการนี้ก็ตรงละอย่างน้อยต้องเป็นผู้ที่เข้าสู่กระแสโสตาปฏิยังฆะคืออะไรสารีบุตรภาษารีบุตรก็เริ่มตอบคาว่าโสตาโสตานี่หมายถึงผู้ที่จะเข้ากระแสปฏิยังะหมายถึงว่า เป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อเข้าสุกเกษานั้นอันนี้พูดความหมายเราไม่ได้ไปแปลรากศัพท์แต่เราเข้าใจความหมายมันว่าผู้ที่จะเข้าสุกเกษานี้อันดับแรกเลยต้องไปหาสัพ ป, ปบุรุษหรือฟังธรรมสัพ ป, ปบุรุษสัพ ป, ปุลิสังเสวะหรือสัพ ป, ปุริสังเสโวคบสัพปะบุรุษคําว่าสัพ ป, ปะบุรุษในนี้หมายถึงผู้ที่ตัดสรุธรรมหรือบรรลุธรรม ครบก็คือไปมหาสูปไปไปแล้วก็ไปฟังธรรมอาจจะสักถามทำความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็เอามาสัตธมัสวันังอันนี้ฟังธรรมฟังพระสัตธรรมโยนิโสมนสิกาละใส่ใจใส่ใจผลการเจริญสติหรือการปฏิบัติต้องมีการใส่ใจถูกต้องคือดูไปแล้วก็สังเกตการไปให้มันเห็นเหมือนมันรู้มันเห็นนะคือจิตของผู้ปฏิบัติเนี่ย เวลาพูดถึงผลของการปฏิบัติที่ลึกซึ้งเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าจิตเข้าไปเห็นนะมันจะพูดว่าเห็นอยู่อย่างเงี้ยเพราะอะไรมันเหมือนจิตเห็นอนะ่ะอาจจะไม่ได้เห็นเหมือนตาเนื้อเห็นแต่มันเห็นด้วยตาใจจากคุ่งอุตปาฏิคือตาใจจิตมันเห็นมันรู้สึกแบบลึกซึงนะ้งอ่ะมันเลยเหมือนจิตเห็นเลยความรู้สึกของจิตเนี่ยเหมือนมันเห็นนะ มันเห็นปรากฏการณ์นี้เกิดแล้วก็ดับเห็นมันเป็นทุกข์เห็นมันเปลี่ยนแปลงของมันเห็นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเมื่อมันเห็นอย่างนี้มันก็จะคลายออกเองนี่เรียกว่าโยนิโสมานสิการไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นทีนี้การที่มันสอนอย่างนี้ต้นๆมันก็อาจจะสอนมากหน่อยบอกมากหน่อยนานเข้านานเข้านี่มันดูเฉยๆก็เข้าใจไปเลย มันมีขั้นตอนอยู่นะไม่ใช่ว่าเอยทําไมคิดอ่ะคิดเราจะบรรู้ทําได้ยังไงไหนว่าคนที่บรรู้ธรรมมันไม่คิดนี่มันต้องดูเฉยๆสิเห็นเองสิวิปัสสนานี่ต้องไม่คิดเอามันเข้าใจผิดแล้วขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมันดูแค่อะไรเกิดขึ้นมันรู้เลยมันไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปสอนอะไรเลยอ่ะเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเลยเห็นว่าเป็นอย่างนั้นเห็นว่าเป็นอย่างนั้นสักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ย มันก็คือตัวจิตนี่นแหละมันไปเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดแลดับแค่นั้นเองนะมันแทบจะไม่สนใจเรื่องรูปเรื่องอะไรเลยนะโลกทานุแทบไม่มาสนใจมันจะสนใจอยู่เฉพาะหน้านั้นเฉพาะสิ่งถูกรู้ผู้รู้ก็ว่างเปล่าไม่มีเราเป็นธรรมชาติอันนึงแล้วก็เป็นรู้สิ่งถูกรู้นั้นแค่นั้นเองถ้าใครทำได้ตรงนี้ก็จบเลยอ่ะ จบเลยอ่ะจิตก็อยู่ว่างว่าว่างว่างเอาอยากจะทำให้จิตมีคุณภาพก็ทำได้ด้วยแผ่เมตตาว่าอะไรทำนนทํทำนี่อะไรไปได้ด้วยอุทิศบุญว่าไปเพราะมันมีความรู้อยู่อ่ะธรรมชาติอันนี้มันสามารถที่จะเอามาทำประโยชน์ได้ด้วยอันนี้สำหรับตัวเองนะคือไม่ได้ไปเห็นของค น, คนื่นหรอกว่าเราว่าเอ๊ะธรรมชาติอันนี้นี่มันไม่ใช่นิ่งอยู่ รู้เฉยเรู้เฉยเไม่ใช่อย่างนั้นนะรู้แล้วพอมันเป็นอิสระแล้วมันสามารถที่จะทําประโยชน์ได้แต่มันก็รู้ด้วยว่าเออมันก็แค่นี้เองชีวิตฝ่ายรูกมันไม่สนใจเลยมันก็รู้แต่ว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องทําประโยชน์ทําประโยชน์ก็สูงสุดก็คืออยากให้คนเนี่ยออกจากทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่นะ่ะสูงสุดแล้วส่วนใครทําได้ทําไม่ได้ก็เรื่องของเขาไปเราก็มีหน้าที่สอนบอกเหมือนพระพุทธเจ้าพาดําเนินมา ผู้จ้าท่านก็มีหน้าที่สอนส่วนการปฏิบัติก็เป็นเรื่องของแต่ละคนได้มากได้น้อยก็เป็นเรื่องของแต่ละคนพระผู้เจ้าก็จะไม่มาอุย้ยกังวลใจหรือว่าเป็นกังวลเสียใจอะไรไม่มีะเพราะทําหน้าที่ของตัวเองอย่างถูกต้องแล้วพอถ้าหาวาจิตมันเข้าไปถึงธทำอย่างเงี้ยมันก็จะรู้ว่าทุกคนนี่ควรจะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีให้ถูกต้องปัญหาจะได้ไม่เกิดปัญหามันเกิดก็เพราะทําหน้าที่ไม่ถูกต้อง ชอบไปก้าวไกลหน้าที่ของคนอื่นไปยุ่งกับคนอื่นไปวุ่นวายกับคนอื่นแต่ถ้าทําหน้าที่ตัวเองถูกต้องแล้วสมควรเกี่ยวข้องกันยังไงเกี่ยวข้องกันไปอันนี้ก็ยกเว้นไว้นะเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะไปว่าสรุปว่าเกี่ยวข้องกันไม่ได้เลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายความว่าการเกี่ยวข้องกัน่ะมันก็มีสมเหตุสมผละคืออันนี้มันธรรมะเนี่ยมันจะขยายออกไปจากจิตที่มันเข้าหาธรรมเนี่ยใครจิตใครถึงธรรมเนี่ยมันก็จะรู้ว่า อะไรควรเป็นยังไงอ่ะเพราะธรรมนี่มันจะเป็นตัวบอกตัวกำหนดเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่ามันออกมาจากธรรมมันจะสมบูรณ์แบบมันจะไม่มีโทษถ้าใครปฏิบัติตามธรรมนั้นเพราะนนคนที่จะบัญญัติอะไรก็ตามกฎหมายบ้านเมืองก็อะไรไอ้กติกาอะไรก็ตามความเป็นอยู่อะไรก็ตามถ้าหากว่ามันออกมาจากจิตที่มีธรรมนั้นส่วนใหญ่ปัญหาน้อยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ย ท่านจึงพยายามที่จะสอนธรรมให้คนปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรมเราก็เลยปรารว่าวิธีปฏิบัติก็เอาตามที่พระุทธเจ้าถามภาษาริบุตรวันหนึ่งก็คือเอาจะเอาครบสัพพบุรุษหรืออย่างมาที่นี่ก็เรี่ยเข้ามาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ของพุทธเจ้านั่นแหละปฏิบัติแล้วก็มาขยายมาย่อยมาพูดให้ง่ายให้เข้าใจเพราะว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ศึกษามามาจากพระุทธเจ้าทั้งนั้นไม่ได้มาจากคนอื่นอกปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าด้วย ถี่พอใครเข้าถึงแล้วก็พอที่จะเอามาพูดอธิบายให้เข้าใจเข้าใจถึงเนื้อหาถึงการปฏิบัติการปฏิบัติข้อนี้แหละฟังธรรมะแล้วก็ต้องมาปฏิบัติทำลําดับก็ได้ไม่ใช่ว่าไปอยากได้วันสองวันหรือขาดกรณีเอาไว้ว่าเสองเดือนนี้เราจะต้องขึงขั้นั้นขั้นนี้อันนั้นมันเกินเกินความจําเป็นเกินหน้าที่ของตัวเองเพราะหน้าที่ข อ, องๆต้องมีหน้าที่ปฏิบัติผลแล้วแต่วางไป สร้างเหตุเรื่อยไปก็หลักการก็ว่าปฏิบัติเนี่ยให้ธรรมะย่อยๆคอยตามธรรมะใหญ่ๆถึงมีสติมีสัมผัสัญญารู้เห็นเข้าไปไม่ใช่ของเราทีละเล็กทีละน้อยขยับไปขยับไปขยับไ ป, บไปจนมันสูงขึ้นสูงขึ้นจนมันรู้เองเป็นอัตโนมัติมันเป็นอัตโนมัติมันก็จะสรุปแล้วก็ตัดสินของมันอัตโนมัติด้วยเพราะระหว่างปฏิบัตินี้จึงพยายามที่จะไม่ให้มีความยากเพราะมันผิดหลักธรรมชาติของการปฏิบัติ ส่วนใหญ่ปฏิบัติแล้วนี่พอเริ่มเพียรปั๊บเอาอยากขึ้นมาแล้วอยากได้นั่นได้นี่เหมือนไม่ได้เลยเลยบางคนก็อยากสงบก็ไม่สงบเอาก็ไม่ถึงเวลาของมันของมันไม่สงบไม่สงบเราก็รู้ไม่สงบเราก็ทําใจเรานี่แหละเหตุปัจจัยมันยังไม่ถึงพร้อมยังไม่ถึงเวลาก็ไม่เป็นไรสมัครใจที่จะเดินตามผู้เชา่าปฏิบัติตามพระพุทธญาติไปเรื่อยๆสรุปแล้วการปฏิบัติเนี่ยก็คือเนี่ย เน้นที่สติเจริญสติรู้ตัวรู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันมีความลึกซึ้งในจิตเรียกว่าสมาธิก็ได้คราวนี้ก็ใส่ใจให้มันถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นก็คือมันไม่เที่ยงอะไรเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนแปลงไปมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันตามธรรมชาติของมันการที่มันเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดเอง เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคือตัวสมาธินี่มันทําให้เห็นเห็นครอบคลุมอ well, well, ่ะเห็นว่าอเกิดอันนี้ขึ้นแล้วเป็นอันนี้เกิดอันนี้แล้วเป็นอันนี้เกิดนี้แล้วเป็นอันนี้มันไม่ได้ว่าเป็นว่าอย่างนี้เที่ยงตลอดมันเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เห็นเหตุปัจจัยอย่างนี้มันจึงเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราส่วนใหญ่คนไม่ได้เห็นอย่างนี้นี่ พอได้อะไรมาก็ของเราเหมือนกับว่าของนั้นน่ะต้องอยู่ตลอดไปนั่นแหละมันเที่ยงอยู่แล้วในจิตเนี่ยได้อะไรมาก็ความเที่ยงอันนี้มันเข้าไปตัดสินแล้วว่าต้องเที่ยงต้องเป็นของเราตลอดไปต้องไม่เปลี่ยนแปลงพอเวลาปฏิบัติมันจึงพยายามเข้าไปเห็นว่ามันไม่เที่ยงว่ามันเปลี่ยนแปลงว่ามันมีเหตุปัจจัยแล้วมันก็เกิดขึ้นคือเห็นอยู่แบบนี้จิตมันจะคายออกคายออก อุปทานที่เหนียวแน่นที่มันยึดติดเอาไว้ว่าหลงว่าเป็นเราอยู่เนี่ยพอมันเห็นอย่างนี้อุปทานมันก็ขายออกขายออกเรื่อยเรื่อยเรื่อยจากรูปมันก็เข้าสู่น้ำเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันเนี่ยรูปกับนามอันเนี้ยกายบ้างจิตบ้างเห็นไปที่พระเจ้าเอามาสอนว่าดูรูปหรือว่าดูกายก็คือรูปนี่แหละกายกายก็คือทําเป็นรูปประคันกันหลายๆรูปรวมกันก็เป็นกาย มหาพุทธลูบทั้งสี่ดินน้ำลมไฟคือถ้าหาว่ามันเข้าใจก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเจรณัยิ่งมากใหม่เห็นเข้าไปแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอสุภะก็ไม่จําเป็นบางแห่งบอกว่าอต้องอสุภะสิก็ถ้ามันเห็นว่าไม่ใช่ของเราปล่อยวางได้มันก็จบแล้วหรือเวทนาก็ได้มันเจ็บเจ็บไม่เอาแล้วุ้ยมันวางไปปล่อยไปทิ้งไปมันมันวางของมันเองมันปล่อยของมันเองแต่ว่าปล่อยวางก็ใช่ หรือว่ามันเห็นนะมันเห็นว่าไม่ใช่เราอย่างเนี้ยมันก็วางเฉยของมันอ่ะมันเหมือนมันปล่อยวางอ่ะเวทนากับเวทนาขันก็ใช่เพราะมนเห็นอยู่อ่ะก็เรียกไปตามบัญญัติไงขันก็กองแห่งเวทนาเวทนาเป็นอย่างนี้ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นเวทนามันอยู่ที่ร่างกายตอนหลังมันไม่สนใจเราอยู่ที่ไหนก็ช่างมันอ่ะเหมือนมันลอยอยู่เป็นแค่สิ่งถูกรู้ของจิตอ่ะจิตก็เป็นแค่ผู้รู้อ่ะเวทนาเป็นสิ่งถูกรู้อ่ะนี่เดีรูปนามมันบัญยัติเนี่ยมันเริ่มหมดไปสมมติมันเริ่มหมดไป เรียว่าอะไรอะไรมันมันเริ่มหายไปจากจิตอะ่ะมันเหมือนกับมันจาะเข้าไปข้างในอะ่ะยิงจิตของใครละเอียดเท่าไหร่นี่มันก็เวทนาอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่รู้ว่ามีเวทนาเหมือนเป็นจุดหนึ่งของจิตที่จะต้องรู้เหมือนกับเป็นสิ่งถูกรู้ของจิตอ่ะแต่เวทนาเป็นเหมือนสิ่งถูกรู้ของจิตจิตก็เป็นธาตุรู้เฉยเลยเป็นผู้รู้เฉยเลยรู้แบบว่างๆไม่มีอะไรอยู่เลยเหมือนน้ําหล่งนน้ําน้ํำนิ่ง ๆ, ๆอยู่ที่ผิวน้ํามันก็มีการกระเพื่อม ว่ามีอาการไม่สบายขึ้นมาคิดปุบปับขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับไอจิตตัวที่มันไปรู้ไปเห็นเนี่ยมันก็สามารถควบคุมได้หาวิธีการที่จะไม่ให้มันรุนแรงจนกระทั่งมันเหตุปัจจัยมันพร้อมก็คือว่ามันเฉยเลอหมดเลยเฉยหมดเลยนี่เรียกว่าจบกิจจบกิจคือมันเฉยหมดแต่มันก็มีอยู่ผู้รู้ก็ยังอยู่แต่อยู่แบบเงียบ เงียบแบบรู้รู้แจ้งรู้ว่าสิ่งทั้งหลายก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันผู้รู้ก็เป็นธรรมชาติของมันตอนนั้นสัตว์บุคคลอะไรมันไม่มีหรอกมันแค่สภาวะอันหนึ่งที่มันพอดีแบบนี้ถามว่ามันมีสุขไหมไอ้ไอ้พอมันมันเข้าไปตรงนี้มันก็วางดามก็สบายไปของมันเองอ่ะมันเป็นหลักของธรรมชาติมันเหมือนกับว่ามันมันมีเหตุปัจจัยมันพอดีอะไรของมันก็ไม่รู้ละ มันก็รู้สึกว่าอยู่เฉยๆสบายๆแต่ไม่ใช่ว่าเฉยแบบเฉยแบบไม่สบายนะมันเหมือนเฉยแบบสบายอ่ะความสบายอันนั้นมันก็เกิดจากการที่จิตของเราไม่ได้ลนอะไรเลยเจ็บปวดขนาดไหนั้นก็เฉยอยู่คล้ายๆกับมันดับไปเลยไอ้ความเจ็บความปวดไม่สามารถไปทำอะไรมันได้อะไรจะเป็นไปข้างนอกมันก็เป็นไปแต่ไอ้ตัวเนื้อหาข้างในมันเฉยอ่ะแล้วก็เฉยแบบ ไม่ใช่เงียบเงียบเฉยๆแต่มันก็รู้ว่ามันก็รู้สึกว่าไอ้ภาวะอันนี้ยมันพอดีกับมันอ่ะมันสบายของมันนะแต่ภายนอกนะร่างกายอะไรต่ออะไรมันจะเป็นยังไงกับช่างแต่ว่าไอ้ตัวข้างในของมันอ่ะมันรู้สึกว่ามันลงตัวของมันเรียกว่าภาวะนิพพานนิพพานธาตแล้วมันอยู่ที่ไหนอมันอยู่ที่จิตของแต่ละคนมาถึงตรงนี้มันเข้าใจเลยว่าคนก็ตามสัตว์ก็ตาม เทวดาพรมสัตว์นรกอะไรก็ตามมันจะมีคุณสมบัติ ต, ตรงนี้อยู่ตรงที่จะต้องเข้าไปแจ้งตรงนี้คอยเวลาเป็นโจรเป็นคนอันธพาลหรือว่าเป็นคนดีอะไรก็ตามเนื้อหาตรงนี้มันอยู่ในจิตคอยเวลาเพราะนั้นถ้าใครเออเริ่มที่จะศึกษาธรรมะของพระุทเจ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านี่แสดงว่ามันยกระดับขึ้นมาแล้วเนี่ย มันเตรียมที่จะเข้าไปหาความจริงอันนี้ที่มันจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดตรงนี้ถ้าเขายังหลงอยู่เขาก็โอ้ไปทำกรรมไม่ดีอยากได้คิดว่าเอ้ยไปเอาของเขามาได้ง่ายง่ายเนี่ยมันสบายไม่ต้องไปเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรได้มาแล้วจะดีมีความสุขเงินก็หลงไปก็ไปทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นในพวกการคิดปรุงแต่งไปในทางที่มันเนี่ยเป็นอกุศลอะไรแบบนี้มันก็มาครอบงำครอบงาจิต จิตไม่สามารถที่จะเปิดเข้าไปถึงความจริงได้กายเป็นกายก็หยาบจิตใจก็หยาบมันก็เลยห่างออกไปเดินช้ามากถ้าใครมาเออเอาตามพุทธยถาได้มากได้น้อยก็จะพยายามอยู่ตรงนี้โดยเฉพาะเราเข้าใจแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเลยมันเหมือนกับว่าคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นโอกาสดีที่สุดเป็นภาวะที่เหมาะสมที่สุด ที่จะรู้ความจริงตรงนี้สัตว์ดิรัชานมันโอ้ยมันมันไม่ได้เลยฟังธรรมก็ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในภาวะอันนั้นนะ่ะมันไม่สามารถฟังสมมุติที่สามารถปฏิบัติจิตแล้วเข้าไปหาความจริงตรงนั้นได้เลยอะ่ะมันก็มีภาษาของมันฮ้องฮ้องฮ้องฮ้องจิบเจ็บจิบเจ็บไปตามเรื่องเสร็จแล้วก็ตายไปเหมือนกันก็รอเวลาต่อไปส่วนมนุษย์ในภาวะเหมาะสมมากโดยเฉพาะ มีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีผู้ที่เอาคำสอนพะเจ้ามาอธิบายให้เราฟังเราได้ยินได้ฟังแล้วเราปฏิบัติตามความรู้เห็นความเข้าใจก็ค่อยคอย่คอยซึมซับซึมซาบเข้าไปในจิตใจของเราเมื่อมันซึมซับเข้าไปในจิตใจของเราความรู้ความเข้าใจมันก็เพิ่มขึ้นความเห็นความจริงก็มากขึ้นในเมื่อมากขึ้นมันเห็นมันต้องเห็นว่า ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ไม่ใช่ว่ามันจะดับสลายแต่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นหมดเหตุปัจจัยก็จะดับไปตัวภาวะของจิตเนี่ยมันก็จะมีความสมดุลมีความเหมาะสมเพราะมันรู้ความจริงความจริงเหล่านี้มันมาหล่อหลอมจิตให้สมดุลขึ้นมาถ้าว่ามันไม่รู้ตรงนี้พออะไรปุ๊บขึ้นมามันก็อยากถ้าถูกใจมันก็อยากให้เที่ยง ไม่ถูกใจก็อยากให้เสื่อมสิ้นสลายไปเราจะคิดปรุงแต่งไปในทางที่จะเอาเข้ามาผักต้านทำลายคิดไปพูดไปทำไปทะเลาะเบาแวงกันวุ่นวายมาจากจิตที่ไม่รู้นี้ทันถึงว่าอาวิชานี่แหละสำคัญที่สุดเลยแล้ววิชานี้ก็อยู่ที่จิตด้วยผลมาปฏิบัติตามคำสอนของพุทเจ้าก็ปฏิบัติจิตร่างกายก็เป็นแค่เครื่องมือที่แรกมันโอ้โหจิตมันเร็วมากเลยอะ จะไปดูจิตดูจิตมันดูไม่ได้เลยอะไม่ดูอะไรจิตอยู่ที่ไหนพูดถึงจิตจิตจิตนี่จิตเป็นยังไงคนที่เริ่มต้นมันไม่เห็นนอะเอาก็ต้องเอ้าฝึกมีสติสิตามดูกายตามดูกายเอาเดินไปก็รู้นะทําอะไรอยู่ก็รู้นะเอาถ้าหากว่าเออมันเร็วๆวมันไม่รู้ก็ช้าๆหน่อยก็ได้ลดลงไปเพื่อให้มันมีสตินี่มันรู้พอมันรู้กายมันอยู่กับกายได้จิตนี่มันมันลดความเร็วลงแล้วทีนี้เพราะว่าสติเราดีขึ้นมาแล้ก็ จิตคิดปัไปเอ้าเนี่นเห็นจิตเริ่มเห็นจิตเริ่มรู้จิตโอ้จิตนี่มันเร็วจริงๆเลยนะอนี่ก็จากกายใจเยบทก็มาสู่เข้าไปหาจิตถ้าจิตเลยจิตเลยอย่างนี้บางคนก็ทําไม่ได้เพราะว่าจิตเขายังไม่สงบจิตยังไม่อยู่กับตัวจิตมันไหลออกไปข้างนอกหมดอย่างนี้มันก็เอาไม่ได้มันก็ต้องพยายามอยู่ที่กายพยายามอยู่ที่กายพยายามให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวสตินี่มันต้องรู้ รู้ตัวอยู่กับปัจจุบันอยู่กับอย่างขณะนีคนปฏิบัตินี่ถ้าใครความคิดมันมากอ่ะเขาไม่อยู่กับตัวเขาจึงมีกระบวนการว่าเออต้องทำช้าหน่อยอันนี้ก็เป็นอุบายอันหนึ่งเนี่ยแต่ไม่ใด่ไปติดนะไปติดว่าโอ้ยฉันช้าแล้วดีที่มันฉันเร่งวิธีของฉันดีของเธอตรงนั้นมันไม่ใช่เนื้อหาที่เราต้องการหรอกเป็นพั่อเราไปยึดเอง ไปมีมันนะยกวิธีของตัวเองขึ้นมาไปโจมตีวิธีของคนอื่นที่จริงอะ่ะเป็นเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันเร็วในเมื่อมันเร็วเราอยากให้เราทันอยากให้จิตเนี่ยมันอยู่กับการเคลื่อนไหวของเราหรือการอิจาบดของเราเราจึงทําช้าได้ถ้ามันเข้าใจด้วยเหตุผลนี้ทําด้วยเหตุผลอยเองมันไม่มีนานะไม่มีทิฏฐิไม่มีตัวไม่มีตนแล้วก็เราทํานี้เพื่อให้จิตมีคุณสมบัติที่จะรู้ว่าแท้จริงไม่มีเรา สุดท้ายต้องไม่มีเราด้วยเพราะมันจะเอาอะไรไม่ได้เพราะเป้าหมายคือให้เห็นว่าไม่มีเราไม่มีของเราหรือไม่มีอะไรเป็นอะไรเลยนี่คือสุดจบจริงๆก็คือไม่มีอะไรเป็นอะไรเลยสักแต่ว่าเป็นธรรมชาติล้วนๆผู้รู้กับสิ่งถูกรู้ก็ยังมีอยู่หรือในเมื่อมันไม่เอาอะไรแล้วมันดับไปแล้วมันก็คือธาตุรู้เป็นธาตุรู้ นี่ก็รู้รอบรู้หมดจดเลยไม่มีอะไรที่มาทําให้มันเกิดปฏิยาขึ้นมาได้ในช่วงที่มันสมบูรณ์เมื่อมันสมบูรณ์แล้วออกมาก็ปฏิยามันก็ลดลงลดลงลดลงอะไรก็แค่นั้นเองแค่นั้นเองมันก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเพราะฉนั้นตราบใดที่ยังมีธาตุขันอยู่อย่างพลทหารที่ท่านยังมีขันอยู่กายมันก็จะมีปฏิยาต่อจิตเหมือนกันแ่ะเจ็บปวดมันก็ต้องมีผลต่อจิตบางแต่มันไม่เอาไปเป็นทุกข์ของจิตท่านถึงว่า สักุปาทิเศสนิพานเมากิเลสมันตายไปแล้วดับไปแล้วแต่ขันมันยังอยู่อ่ะมันก็มีวิบากของขันอยู่อ่ะมันก็มีผลต่อจิตก็ยังเรียกว่ามันยังมีทุกดีทุกอยู่อ่ะแต่สุดท้ายอนุปาทิเศสนิพานธาตุคราวนี้ขันมันดับเลยอ่ะดับขันทะปาลินิพานดับรอบเลยมันไม่มีอะไรเลยเศษเหลือไม่มีเลยค้างท่านึงว่าอนุปาทิเศสนิพานธาตดับสนิทไปไหนไม่รู้ เหมือนไฟจุดเทียนเอาไฟมาดับพึบลงไปไฟไปไหนไม่รู้แต่ว่าดับนั่นอุปมาแบบนั้นทีนี้ที่พูดวันนี้ก็คือให้เรามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติของเราว่าพยายามมีสติอยู่ไหมถ้าพยายามมีสติอยู่โอ้ใช่เลยใช่เลยมีสติก็ไม่ต้องอยากเพราะว่าผลต้องเกิดจากเหตุเท่านั้นให้มีสติเรื่อยไปตามดูกายตามดูเวทนาได้หมดตามดูจิต แท้จริงก็คือต้องการตามดูจิตนั้นแต่เรายังมีกายอยู่มันยังยึดกายอยู่ยังกายยังมีผลตัวจิตอยู่มันก็ตามดูกายไปเพื่อเข้าหาจิตสุดท้ายตัวยึดก็คือตัวจิตนั่นเมื่อจิตมันรู้มันคลายออกมันก็เลิกยึดไม่ยึดกายไม่ยึดเวทนามีอะไรที่มันยังติดอยู่มันก็ดูไปดูไปดูไปสุดท้ายมันก็จะมีข้อสรุปข้อมันขึ้นมาว่าไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวทุกอย่างดับไปจากจิต สิ่งทั้งหลายยังอยู่เวทนาก็ยังอยู่ก็ได้กายก็ยังอยู่สิ่งทั้งหลายในโลกก็ยังอยู่แต่มันเหมือนกับอยู่ไปตามธรรมชาติต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ก้อนหินก็เป็นก้อนหินก้อนดินก็เป็นก้อนดินร่างกายก็เป็นร่างกายธาตุทั้งหลายก็เป็นสัจธรรมธาตุไม่มีผลตัวจิตตัวจิตเองก็แค่รู้รู้หมดรู้รอบไม่เอาอะไรเข้ามาอีกไม่เอาอะไรเข้ามาปรุงแต่งอีกต่อไป เนี่ยเวลามันสนิทมันก็จะสนิทลงไปเดี๋ยวทุกอย่างดับไปดับไม่ใช่ว่าดับไม่มีมันดับรู้รู้ตลอดอยากทำประโยชน์อะไรก็ทำได้ด้วยเนี่ยหมายว่ามันแล้วแต่เหตุปัจจัยประโยชน์ในที่นี้คือประโยชน์ทางจิตอุทิดบุญก็ได้ถ้าอยากทำแผ่ไมตตาก็ได้ถ้าอยากทำแต่ถ้าทำสมบูรณ์แล้วก็เฉยเสียมันก็เป็นธรรมชาติไปเลยมีสติ ตามดูกายถ้ามันใครยังไม่ทันจิตจะตามดูกายไปก่อนอเดียวมันก็จะเข้าไปหาจิตเข้าไปหาจิตก็กายบ้างจิตบ้างนานเข้านานเข้าเริ่มวางกายวางรูปเสียงกลิ่นลดสัมผัสก็เริ่มเข้าไปหาจิตในที่มันปล่อยวางได้มันก็จะไม่ดึงจิตเราให้ไหลออกไปผนผู้ที่วางกายได้วางเวทนาได้วางรูปเสียงกลิ่นลดสัมผัสได้เดี๋ยวของในโลกนี้หมดความหมาย เหลือแต่ตัวจิตที่มันยิบเย็บปรุงแต่ง น, น, นู่นนี่นั่นมีเรามีน้ําหนักขึ้นมาในจิตนั่นแหละที่ทันเรียกว่าสภาวะของพระอนาคามีถ้าตามเห็นว่าเอ้ยอนี่ก็เกิดดับมันนำ ม, มาทำนี่ว่ามีแต่เกิดมีแต่ดับ ม, ม, มันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราแล้วเรามันวางสนิทเดี๋ยวจบนี่ละ่ะพอรหลเนสมมุติเดียวพอหลานถึงนิพพานนิพพานก็คือสภาวะที่จิตน่ะมันไม่มีอะไรปรุงแต่งอีกต่อไปแล้ว เดียวมันถึงนิพพานมันจะจิตเป็นนิพพานจิตถึงนิพพานถึงได้ยังไงถึงได้ตรงที่จิตไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ทุกอย่างดับไปจากจิตหมดจดจิตเป็นสัตว์แต่ว่ารู้จิตก็เลยกลายเป็นธรรมชาติเป็นธานรู้เฉยๆเพราะเวลาปฏิบัติเนี่ยเราต้องเข้าใจตรงนี้ว่าเออมันมีอะไรเป็นเรามันเป็นของเราเรามีหน้าที่ปฏิบัติเรื่อยไปเรื่อยไปถึงเมื่ อ, อไรช่างมัน แต่เรารู้แล้วว่าเราตรงทางของพูะพุทธเจ้าล่ะหาเสว่าเจ็บขึ้นมาเอา้ามันยังสู้ได้อยู่สู้ไปเพื่อที่จะให้จิตมั น, เ ห, น เ, เห็นเข้าใจเห็นเข้าใจเพราะว่ามันเจ็บก็จะได้เอาประโยชน์จากความเจ็บอันนี้พระพุทธเจ้าก็สอนให้ตามดูเวทนาได้ว่าเอาเอเวทนาเนี่ยมันอยู่ของมันนะสักว่าเวทนานะบางทีมันก็มีผลต่อจิตเรามันอึดอัดขึ้นมามันก็เอาเอ า, เอาทนหน่อยทนหน่อยเพราะเราอยากจะเห็นว่ามันไม่ใช่เราอะ่ะอยากจะฝึกอยากจะฝึก ไอ้มันมีเวทนามีอะไรอย่างงี้มันเป็นโอกาสฝึกฝึกอย่างดีเลยทดลองเลยถ้าเราหนีมันเร็วๆมันก็ไม่เห็นมันก็ไม่เข้าใจเราอยากเข้าใจมันก็ต้องมีอะไรมาก็ต้องดูกันดูให้มันเข้าใจเข้าใจให้มันลึกซึ้งเข้าไปเพราะว่าความเข้าใจอันนี้มันต้องอาศัยสมาธิด้วยถ้าไม่มีสมาธิมันไม่ชัดเจนน่ะฟังขนาดไหนฟังขนาดไหนมันไม่ชัดอ่ะ นอกจากว่าเออมีผู้ที่มีคุณสมบัติพอที่จะทําให้จิตของคนฟังนี่มีมสมาธิขึ้นมาได้อย่างพระพุทธเจ้านี่เออบางครั้งท่านอาจจะทําได้นะ่ะภาวะที่คนนั้นควรจะรู้นี่ท่านก็มีอานุภาพอะฤกษ์ ก, กะระแสของท่านอานุภาพของท่านอะไรอย่างเงี้ย อ, อ, อันนี้เราเราก็ไม่รู้ละ่ะของเราก็เป็นไปตามธรรมชาติอะก็ต้องมาปฏิบัติกันนะ่ะเพราะนั้นจึงไม่ต้องไปจินตนาการหรอกว่าเออการบรรลุธรรมต้องอย่างนั้นต้องอย่างเงี้ย มันทำให้เนิ่นช้ามันทำให้หลงด้วยเข้าใจผิดด้วยฟังแล้วก็เอา้าเราจะปฏิบัติจนกว่ามันจะเป็นขึ้นมาเลยถึงขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาเพราะนั้นตัวจิตเนี่ยมันจริงไม่ใช่เราเด็ดขาดเด็ดขาดเลยนะตัวจิตเนี่ยเป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่งมันรู้อารมณ์ได้ก็จริงคิดนึกปรุงแต่งอารมณ์ได้ก็จริงแต่รู้ได้โดยธรรมชาติของมันคิดนึกปรุงแต่งได้โดยธรรมชาติของมัน เหมือนมีน้ำก็ต้องมีผิวน้ำตามธรรมชาติของมันมีผ ล, ลไม้ก็ต้องมีเปลือกของมันเป็นธรรมชาติของมันมีผิวมีผ ล, ลไม้ก็มีผิวของมันและตัวจิตเนี่ยมันไม่มีรูปร่างเลยนะบางคนจิต น, นาการว่ามันกลมๆกลมๆเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันอยู่ที่ร่างกายมันเหมือนกับว่าพอจำกัดของร่างกายมันทาให้รู้สึกขึ้นมาได้ แต่ตัวจิตจริงๆอ่ะมันไม่มีรูปร่างสันฐานอะไรหรอกเป็นนามธรรมล้วนๆไม่มีอะไรเลยอ่ะมันไม่เป็นอะไรเลยอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเนี่ยเหมือนน้ำเอาไปใส่ขวดมันก็จะเป็นเออรูปทรงเหมือนขวดเะมือนมันอยู่ในขวดไปใส่แก้วก็รูปทรงของแก้วใส่ถ้วยก็รูปทรงถ้วยใส่ขันก็รูปทรงของขันมันจริงต้องไปหารูปทรงรูปร่างที่อยู่ที่อาศัยเวลามันไปเนี่ยอย่าเสื่อมเราเป็นคนอยู่อย่างเงี้ยเวลามันไปเนี่ยพอมันไปปุ๊บ มันไม่รู้หรอกว่ามันไปเกิดตัวจิตเราเนี่ยมันจะไม่รู้ว่ามันไปเกิดมันไปตามความรู้สึกความรู้สึกที่แรงกรรมมันผลักปึ๊กเข้าไปอยู่ในร่างอีกร่างหนึ่งแรกแรกมันยังรู้สึกคุ้นเคยว่ามันมันเคยขยับขาได้ขยับแขนได้เอียงไปเอียงมาได้หยิบจับโน่นนี่ได้สัญญามันยังอยู่แสงว่าเข้าไปอยู่ในร่างงูอย่างเงี้ยมันก็จะพยายามที่จะขยับขามันขยับแขนแต่มันจะทําไม่ได้นจะอึดัดขึ้นมานิดหน่อย คือตัดดก้นรัดทำไม่ได้แต่เจ็ดวันไปแล้วมันจะลืมมันก็จะพอใจร่างนั้นเน่เกิดความพอใจขึ้นมาแล้วนะเกิดความพอใจมันจึงหลงภพหลงชาติครับต่อไปนี้ให้ดูตัวเองนิดนึงนะอยู่ในโซมนานุสิการ์ให้มันอยู่ที่กายที่จิตของเราดูด้วยความเข้าใจว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นธรรมชาติเป็นแค่รูปแค่นาม เพราะนั้นมันความสำคัญคือตรงที่ว่ามันเข้าไปรู้เข้าไปเห็นแล้วก็เกิดความเข้าใจซึมซาบเข้าไปที่จิตใจของตัวเองท่านท่านนั่งมันหลับมันซึมมันไม่เห็นมันไม่ชัดไม่ต้องนั่งก็ได้เราต้องเอาใจความของมันเอาเนื้อหาของการปฏิบัติยืนเอาก็ได้เดินเอาก็ได้นอนเ n าก็ได้แต่ก็ระวังเหมือนกันนะ ท่าไหนที่มันจะทําให้เราเนี่ยเห็นเป็นว่าเป็นรูปนามเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราได้ง่ายชัดเจนแจ่มแจง้ここ ician, แจงก็เอาท่านั้นแหละไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิหรือว่ามีท่าทางโน่นนี้นั่นมันไม่ใช่เอาตรงที่จิตของเรามันรู้อารมณ์ได้เดฉพาะหน้าได้ชัดเจนแจ่มแจง้งล้วรู้สึกได้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยได้ยิ่งดี แล้วมันก็จะเกิดการปล่อยวางขายออกขายออกขายออกก็จะรู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายเจ็บขนาดไหนก็อยู่ส่วนเจ็บไปแต่เราจะรู้สึกว่าเออเบากายเบาใจโปร่งโล่งเบาสบายเนี้ยเบากายเบาจิตเบามันจะนั่นอึดอัดขึ้นมาถ้าเราทําความเข้าใจได้ว่าเออไอ้เนี่ยที่ที่เป็นๆอยู่เนีน่ย <c oughs> มันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นของมันเองมันก็คลายออกเหมือนกันคลายออกจากตัวแน่นนัเนี่ยตัวจิตมันคลายออก แน่นก็อาจจะยังอยู่แต่ว่าจิตมันไม่เอาอมก็แน่นก็อยู่ส่วนแน่นไปไม่ใช่มันแน่นขึ้นมาแล้วอุอ๊ดแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเนี่ยก็แสดงว่ามันไม่ได้ดูแบบปล่อยวางดูแบบยึดดูแบบเราหลงว่าเป็นเราอยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการขึ้นมามันก็เริ่มผิดทางแล้วทีนี้นี่นิดเดียวนะนิดเดียวเลยอ่ะเวลามนเข้าใจผิดเนี่ยเอาเตรียมอุทิศบุญนะใครอยากอุทิศบุญอุทิศบุญเองเลยนะ จูที่บุญให้ใครก็ที่บุญนะ